ดูก่อนมาคันธยะเปรียบเหมือนครหาบดีหรือบุตรเครืหาบดีผู้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก ด้วยรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นด้วยโพธาภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือสรุปแล้วเป็นลูกของเศรษฐีเหมงอนกันเดี๋ที่มีความสุขเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณห้าเขาประพฤติกายะสุจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึง เทพบุตรนั้นอันหมูนางอับสอนแวดล้อมในนันทวันเ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามาคุณห้าอันเป็นทิตบำเรอตนอยู่ในดาวเดึงสัตเววโลกเทพบุตรนั้นได้เห็นเครื่บดีหรือบุตรเครือาบดีผู้เ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามาคุณห้าบำเรอตนอยู่ดูก่อนมาคันธยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉะไห น, นเทพบุตรนั้นอันหมูนางอับซรแวดล้อมอยู่ในนันทวัน เอออิ่มเพียรพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บัมเรอตุนอยู่จะพึงทะเยอทะยามต่อครือาบดีต่อบุตรเครือบดีโน้นหรือต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะเวียนมาเพราะกามคุณของมนุษย์บ้างหรือหนอเอาไหมถ้าหากว่าเกิ ด, ดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสุขที่สุดในบรรดานมนุษย์แหละเสร็จแล้วก็ทําบุญแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มีความสุขที่มีความสุขแบบสวรรค์ถามว่า เขาจะยินดีไหมความสุขเก่าๆที่ได้เคยในสมัยเป็นมนุษย์เอาไหมยมพวกกันเอาไหมเอาแล้วเนะสวรรค์ดีกว่าเนะเออนี่ข้อความในอัตถกถาท่านยกมาของมนุษย์เมื่อเทียบกับสำนักของกามอันเป็นทิพย์เหมือนกับเอาน้ำที่ปลายย่าคาสลัดลงในมหาสมุทรฉะนั้น นะก็คือความสุขของที่ที่มนุษย์นะเหมือนกับไอ้น้ําหยดนิดเดียวอะ่ะเมื่อเทียบกับน้ําในทะเลมหาสมุทรอะ่ะมันต่างกันมากไหมนั่นแหะก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านท่านท่านพระโคโดมคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามอันเป็นทิพน่าใคร่หน้ า, รนาปรารถนายิ่งกว่าปณิท ก, กว่ากว่ากามของมนุษย์ ดูก่อนมาคันธิยะเราก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าผมก็อุปมาตัวเองเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละบำเรอตนด้วยรูปอันจะพึงเห็นแจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนาหน้าใคร่หน้าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น ด้วยโพธพภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปราลบกามได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหาย มีจิตใจสงบอยู่ในภายในเหานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นที่ยังไม่ปราศจากความกำนัดในกามถูกกา ม, มะตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารอบกามเผาอยู่เศรษฐกามอยู่ย่อมไม่ทะเยอทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุิโสฬธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขเป็นของทิพตั้งอยู่ ความสุขของพระพุทธเจ้านะั้นสุขยิ่งกว่าทิพสุขนั่นอีกจึงไม่ทะเยอทยานต่อธรรมะอันเลวไม่ยินดีในธรรมะอันเลวนั้นเลยดูก่อนมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวอันสุขเคยเห็นคนโรคเรื้อนนะนั่นแหละเอาสุนัขที้เรื้อนไปก่อนเห็นแบบนั้นลคล้ายกันนั่นแหละอันกิมมิชาตบ่อนอยู่ โ oh, อน้นอนนอนชอนชัยอีกตังหักเก้าปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิงมิตรอมาตยาสาโลหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดนั้นพึงทรยารักษาบุรุษนั้นบุรุษนั้นอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อน เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตนเองจะไปไหนได้ตามความพอใจสมัยเป็นโรคเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยนะบุรุษนั้นได้เห็นบุรุษโรคเรื้อนคนอื่นมีตัวเป็นแผลมีตัวสุขอันกิมิชาติบอลอยู่เกาปากแผลอ ย, อยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่ลุ้มฐานเพลิงดูก่อนมาคันธยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไ บุรุษนั้นพึงทะเยอทะยานต่อบุรุษโรคเรือนคนโน้นต่อหลุมฐานเพลิงหรือต่อการเสพกับยาบ้างหรือหนอไงนะก็ถ้าหากว่าคนโรคเรือนนี่ถ้าใครได้ยาดีๆนี่ก็ยิ้มอะนะแต่คนหายโรคแล้วไม่ได้อยากได้แล้วเนาะถามว่าเขาไปขอแบงง่งยาหน่อยเอาไหมหายโรคแล้วไม่อย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพเนราะเหตุไรเพราะเมื่อยังมีโรคกิจที่ควรทําด้วยยาก็ต้องมี เมื่อไม่มีโรคกิ่ที่ควรทําด้วยยาก็ไม่ต้องมีดูก่อนมาคันธยะเราก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อยังอยู่ครองเรือนอยู่ในการเอิบอิ่นเพียบพร้อมด้วยการมคุณห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนรักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายด้วยโพธพภะ อันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนักสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับอั ส, สาธาอาทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแลว้วเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตใจสงบอยู่ในภายในเรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนับในกามถูกกามตาหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อน ที่เกิดเพราะการปรารบเผาอยู่เสพกรรมอยู่ย่อมไม่เถเยทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกรรมนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากการรมเว้นจากอากุิสรธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความยินดีล่วงเลยความสุขอันเป็นทิพตั้งอยู่ไม่เถเยทยานต่อธรรมะอันเลวไม่ยินดีในธรรมะอันเลวนั้นเลย ดูกรมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวอันเป็นแผลสุกมีกิมิชาติบอลอยู่เกาปากแผลด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่ลุ่มทานเพลิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดทำยารักษาบุรุษนั้นบุรุษนั้นอาศัยยาแลว้วจึงหายจากโรคเรื้อนเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอํานาจในตนเอง จะไปไหนได้ตามความพอใจบุรุษมีกําลังสองคนช่วยกันจับบุรุษนั้นที่แขนคนละข้างฉุดเขาไปที่หลุ่มฐานเพลิงโดยการมาคันธยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรบุรุษนั้นจะต้องดิ้นรนไปอย่างนั้นอย่างนั้นบ้างสิหนอหายโรคแล้วนะจะเอาไปย่างตัวเหมือนเดิมอีกเอาไหมเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟโนูนมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่ และมีความเร่าร้อนมากดูก่อนมาคันธยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนยัยไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกขมีสัมผัสมีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากแต่ในบัดนี้เท่านั้นหรือแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกมีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากไอ้สมัยเป็นโรคเรื้อนเนี่ยไฟก็ร้อนไหมก็ร้อนไอ้สมัยหายจากโรคเรื้อเนี่ยไฟร้อนไห ก็ร้อนเหมือนเดิมนั่นแหละท่านพระโคดมไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนทั้งในบัดนี้และแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความร้อนมากแต่ว่าบุรุษโรคเรือนนั้นมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกถูกกิมิชาติบ่อนเกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บมีอินทรีย์อันโรคกำจัดเสียแล้วนู้นกลับได้ความสําคัญ ในไฟอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั้นแล้วว่าเป็นสุขไปก็คือมันอินทรีย์มันพิการอ่ะนะกายวิญญาณมันพิการเวลาไปย่างไฟก็เลยนึกว่านี่แหละวิเศษแล้วดูก่อนมาคันธยะกามทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตการก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากถึงในอนาค ต, ตการกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์ มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากแม้ในปัจจุบันเดียวนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามะตันหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะปรารบกามเผาอยู่มีอินทรีย์อันโทษกำจัดแล้วคือมีปัญญานะวิปัสนาปัญญาม่เกิดอะเรียกว่าโทษกำจัดแล้ว โลภาเป็นต้นกำจัดกลับได้ความสัมพันธ์ผิดในการอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั่นแลว่าเป็นสุขไปดูก่อนมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกอันกิมิชาติบอนอยู่เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่ล้มถ่านเพลิงดูก่อนมาคันธยะบุรุษโรคเรื้อนคนนู้นมีตัวเป็นแผลมีตัวสุก อันกิมิชาติบ่อนอยู่เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่ลุ้มฐานเพลิงด้วยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุุษโรคเรื้อนนั่นเองยิ่งเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้นด้วยประการนั้นๆและจะมีความเป็นของน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็คือปากแผลทั้งหลายมีการเกาแผลเป็นเหตุเท่านั้นฉันใด ดูก่อนมาคันธยะสัตว์ทั้งหลายก็ฉะนั้นแหลยังไม่ปราศจากความกําหนัดในกามถูกกามะตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปลารอบกามเผาอยู่เสพกามอยู่ดูก่อนมาคันธยะสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกําหนัดในกามะตัญหาอันกามะตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะกามเผาอยู่เสพกามอยู่ด้วยประการใดๆ กามตัญหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกรามเผาอยู่ด้วยประการ น, น, นั้นและจะมีความเป็นของหน้ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็เพราะอาศัยการมาคุณห้านั้นเท่านั้นสนุกบ้างก็เป็นครั้งคราวดูก่อนมาคันธยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านได้เห็นหรือได้ฟังบ้างหรือว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชา ผู้เออบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้ายังละกามะตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบการไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตใจสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังรู้หรือจักอยู่นนะะคนที่เพียบพร้อมเนี่ยด้วยยศตำแหน่งกามคุณห้าเนี่ยเขามีความสงบในภายในเนี่ยมีไหมข้อนั้นไม่มีเลยท่านพระโคดม นนะสมมติถ้าเราไปเป็นรัฐมนตรีเยอะๆอยู่ตอนนี้เนี่ยถาวมาหาความสงบภายในได้ไหมถึงจะมีการมาคุณห้าที่เพียบพร้อมเหล่านั้นดีล ะ, ะไม่มีท่านพระโคโดมพระ อ, องค์ตรัสว่าดีละมาคันธิยะแม้ข้อนี้เราไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังข่าวมาว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยการมาคุณห้ายางละตัหาไม่ได้ อย่างบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบความไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังรู้กลังอยู่หรือจักอยู่ดูก่อนมหานามะดูก่อนมาคันธยะที่แท้สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้ว หรือกําลังอยู่หรือจักอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นล้วนรู้ความเกิดความดับอัศธาโทษและอุบายเครื่องสลัดออกไปแห่งกามนั่นเทียวตามความเป็นจริงแล้วละกามตัญหาบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามแล้วจึงเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่หรือกําลังอยู่หรือจัออกอยู่ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคแปล่งเป็นพระ คาถาอุทานเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งอโรคยาปรมาราภาเหมือนกันนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายทางอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางเกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่ท่านพระสมณะโคดมน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาแล้ว เพียงหัวข้อที่ท่านพระสมณะโคโดมตรัสแล้วนี้ว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังข้อนี้มาว่าฟังข้อนี้ต่อปริพาชกทั้งหลายแต่ก่อนผู้เป็นอาจารย์และอาจารย์ผู้เป็นป า, จารจันนะก็คือพวกปรามาจารย์กล่าวกันอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้อนี้ย่อมสมกันศาสนาของท่านกับของข้าพเจ้าไม่ต่างกันอย่างนั้นดูก่อนมาคันธยะ ก็ข้อที่ท่านฟังต่อปริพาชกทั้งหลายก่อนก่อนผู้เป็นอาจารย์และป่าอาจารย์ผู้กล่าวกันอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้นั้นความไม่มีโรคนั้นเป็นไงนนิพพานนั้นเป็นไนไอ้นิพพานของท่านเป็นยังไงไม่มีโรคของท่านเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วได้กระได้ทราบว่ามาคันธยะปริพาชกเอามือรูปตัวของตัวเองไอ้ไม่มีโรค น, นะรูปตัวกันเลย กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นก็คืออันนี้นะโรคหัวโรคตัวเลยนะนี่คือตัวไม่มีโรคเป็นอย่างนี้นิพพานก็คืออันนี้ <c oughs> นิพพานก็คือตัวกายของเขาเดินแหละข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขอะไรอะไรไม่ได้เบียดเบียนข้าพระเจ้าเลยนะเขามีความสุขเขานิพพานในตัวของเขาเองอยู่แล้วดูก่อนมาคันธยะ เปรียบเหมือนบุรุษบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปขาวและดำไม่ได้เห็นรูปสีเขียวไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอได้เห็นไอ้ไม่เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะอุปมาเหมือนคนตาบอดนั่นแหะ เขาได้ฟังต่อคนผู้มีจักษุกล่าวว่าดูกนท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมนทินสะอาดเนอดังนี้เขาพึงสแสวงหาผ้าขาวผ่องบุรุษคนหนึ่งก็เอาผ้าเทียมเปื้อนขเข่ามาลวงบุรุษตาบอดแตกําเนิดนั้นว่าดูกรบุรุรผู้เจริญผ้าของท่านผืนนี้เป็น้าบขาวผ่องงามไม่มีมนทินสะอาดดังนี้ เขาก็รับเอาผ้านั้นไปห่มแล้วก็ดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมณทินสะอาดดูก่อนมาคันธยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนะบุรุษตาบอดแต่กําเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่รับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนเข่าไว้ห่มแล้วดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมณทินสะอาดหนอดังนี้ หรือว่าเปล่งวาจาแสดงความยินดีด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเล่าอัน น, นัดีใจที่เห็นผ้าขาวเองหรือว่าเขาว่ามาท่านพระโคโดมบุรุษตาบอดแต่กาเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยรับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนขมเหลาเข้าไว้ห่มแล้วดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวพองไม่มีมลทินสะอาดหนอ ด, ดังนี้ ด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักรสูเท่านั้นเขาเชื่อเอาอ่ะนะบอดจะไปเห็นยังไงดูก่อนมาคันธยะปริภาโชคัญญะเดรธีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีจักรุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นพระนิพพานเออก็เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่กล่าวคาถานี้ได้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ดูก่อนมาคันธยะ พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตัดคาถานี้เอาไว้ว่าอโรคยาปรมาราพาก็มีนะร้านขาบางยงบางร้านนี้ก็เอาอันนี้ไปตั้งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางกเกษม บัตรนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุตุชนไปโดยลำดับดูก่อนมาคันธยะกายนี้แลเป็นดังโรคที่ท่านว่านิพานของท่านเนี่ยนะเป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้ท่านนั้นกล่าวกายนี้เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลาบากเป็นความเจ็บไข้ว่าท่านพระโคดมความไม่มีโรคคือกายอันนี้นิพานคืออันนี้นั้น ก็ท่านไม่มีจักสุของพระอริยะคือท่านไม่มีวิปัสนาปัญญานะจักสุในที่นี้หมายถึงวิปัสสนากับมัคคปัญญาอันเป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคอันเป็นเครื่องเห็นนิพพานข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมทรงสา ม, มารถเพื่อจะแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่จะให้รู้ความไม่มีโรคให้เห็นนิพพานได้ ก็คือไม่อยากฟังทมแล้วกันนี่ดูก่อนมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กําเนิดไม่ได้เห็นรูปสีดําและสีขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียวไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองสีแดงสีชมพมูไม่ได้เห็นทางที่เสมอและไม่เสมอไม่เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มิตรอมาตญาสาโลหิตเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชนานาญในการผ่าตัดให้รักษา แพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดนั้นได้ทำยารักษาเขาเขาอาศัยยานั้นแล้วก็เห็นไม่ได้ทำจักสุให้ใสไม่ได้ดูก่อนมาคันธิยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉันยแพทย์นั้นต้องมีส่วนแห่งความลําบากส่วนแห่งความขับแค้นสักเพียงไรไม่ใช่หรืออ่ะ น, นะให้ผ่าตัดคนบอดแต่เกิดอะ่ะมันผ่าไม่ได้อะ่ะหมอก็เหนื่อยเปล่าดิอย่างนั้นท่านพระโวดมดูก่อนมาคันธยะ เราก็ฉะนั้นเหมือนกันพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคคือสิ่งนี้นิพานคือสิ่งนี้ดังนี้ท่านนั้นก็พึงรู้ความไม่มีโรคไม่ได้เห็นนิพานไม่ได้อันนั้นเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความลำบากแก่เราเสียเวลาเปล่าที่จฟังเลย <c oughs> มาคันธิยะก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคโดมด้วยอาการอย่างนี้แล้วท่านพระโคโดมย่อมทรงสา ม, มารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ จะให้รู้ความไม่มีโรคให้เห็นในผ่านได้ดูก่อนมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีแดงเห็นที่เสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟังต่อคนที่มีจักษุกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมณทินสะอาดหนอ บุรุษผู้บอดแต่กำเนิดนั้นพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าคขาวผ่องบุรุษนั้นเอาผ้าเทียมเปื้อนขมเามาลวงเขานั้นว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านผืนนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดเขารับผ้านั้นมาหอมมิดอมาดญาสาโลหิตของเขาตั้งแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดนั้นทํายาถอนให้เขาอาเจียนยาถ่ายให้ลงยายอดยาหยอดซ้ํายานัด เขาอาศัยยา น, นั้นแล้วเห็นได้ชำระตาให้ใสได้เขาย่อมละความรักด้วยความสามารถพอใจในผ้าเทียมเปื้อนขมเหานู้นได้พร้อมกับตาเห็นพอเห็นปับ๊บเอผ้านี้มันผ้าสีดานี่เขาเบียดเบียน บ, บุรุษที่ลวงตนนูน้นโดยความเป็นศัตรูโดยความเป็นผ้าศึกถูกหลอกมาตั้งนานอันหนึ่งเขาพึงสำคัญบุรุษที่ลวงตนนั้นว่า ควรปรงชีวิตเสียด้วยความคับแค้นว่าบุรุษผู้เจริญเราถูกบุรุษผู้นี้เอาผ้าเทียมเปื้อนเขมามาลวงให้หลงว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดดังนี้มานานเนอฉันใดเหมืนกันโอ้ยคนที่มาหลอกหน้าค่าจริงๆเลยดูก่อนมาคันธยะเราก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคคืออันนี้นิพานคืออันนี้ข้อ น, นี้ท่านเพิ่งรู้ ความไม่มีโรคเพิ่งเห็นนิพผานได้ท่านก็ควรจะละความกําหนัดด้วยความพอใจในขันที่มีอุปาทานขันห้าได้ถ้าหากว่าแสดงทำให้ท่านเข้าใจได้ท่านต้องละอุปาทานขันห้าได้เหมือนกันพร้อมกับเห็นความเกิดขึ้นอันนึ่งท่านเพิ่งมีความดําริอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงมานานแล้วหนอไอคนที่หลอกคือใคร จิตนั่นแหละมันหลอกเรายึดมั่นถือมั่นแต่รูปเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ถือมั่นแต่เวทนาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็ยึดมั่นแต่สัญญาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สังขารเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่วิญญาณเท่านั้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานที่ยึดขันห้าใช่ไหมพบจึงมีแก่เรานั้น อุปาทานยึดปึ๊บทำกรรมแล้วใช่ไหมเจตนาที่เกิดพร้อมกับอุปาทานก็เป็นกรรมเพราะภพนั้นเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการชนิดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเกิดขึ้นขณะไหนที่ที่เป็นสายวัตตะก็คือขณะที่ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณโดยความเป็นของที่หน้าเพลดิดเพลินยินดีเพลดิดเพลินปับ๊บเจตนากรรมก็เกิดพอกรรมปับ๊บกำรรอั น, นั้นเรียกว่าพบพบเป็นปัจจัยก็มีชาติชราพยาธิมรณะไปเรื่อยข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมสา ม, มารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าไม่เป็นคนบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้ไม่อยากบอดแล้วอะ่ะสอนให้ทีเธอะไม่อยากบอดแล้ว องตัดว่าดูก่อนมาคันธยะถ้าเช่นนั้นท่านควรคบสัตบุรุษเพราะเมื่อใดท่านคบสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านจากได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษท่านจากปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำเมื่อท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำท่านจักรู้เองจักเห็นเองว่าโรคฝีลูกศอนคืออันนี้ โรคฝีลูกศรจะดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปาทานของเรานั้นดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการชนี้ใช่ไหมก็คือโยงไปหาโสตาปฏิยังฆาธรรมใช่ไหมหนึ่งคบ ร, รบสัตว์บุรุษฟังธรรมของท่านแล้วก็ ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพอปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะละคลายความยึดถือไอ้ละไอ้ตัวอุปาทานทั้งที่เป็นทิฏฐุปาทานกามุปาทานสีระพัตุปาทานและอัตวาทุปาทานถ้าไอ้ดับอุปาทานนะเจตนากรรม น, นั้นก็ไม่ให้ผลเน่ยนะนะเจตนาอันนั้นก็กลายเป็นกิริยาไปดงนั้นการดับแห่งกองทุกจะมีได้เพราะการดับอุปาทาน เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามปทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใด ท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข่าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะนะนี่ถึงสารณาคมนะนี่คือถึงสารณาคมแบบสมัยก่อนเขาเข้าถึงไตราสารณาคมโดยเข้าใจคําสอนของพระผู้มีพระภาคอย่างดีแล้วก็ข่าพระองค์พึงได้บรนประชาอุปสนบทในสํานักของพระโคโดมนะถึงไตราสารณาคมและอยากบวชเลย ก็คือตอนหลังท่านก็ได้ออกบวชบวชแล้วก็ได้เป็นพระอารหัน ร, รูปหนึ่งในพระอารหันทั้งหลายนั่นแหละนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระ อ, องค์นี่เป็นผู้ที่หันจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ของเขาให้เขามาปฏิบัติในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ของเราไม่ทราบว่าได้ประโยชน์มากหมที่ได้ฟังพระสูตรนี้มาคันธิยสูตรนะ